พึงพากันตั้งใจเกิดมาในโลกนี้มันหาความสะดวกสบายได้ยากเต็มทีให้พิจารณาให้มันเกิดนิพพิทาความเบื่อนายอย่าไปเห็นแก่ อามิตรสุกเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นมาเป็นเครื่องติดเครื่องผูกพันอยู่ในโลกอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริ ษ, ษัททางหลายก็เพื่อที่จะให้พุทธบริษัททางหลายตื่นตัว เห็นว่าภัยทางหลายมันมีอยู่รอบด้านเช่นอุทกภัยภัยคือน้าท่วมมันก็ปรากฏอยู่แล้วน้มท่วมแล้วก็นำความเสียหายมาให้แก่ประชาชน ทำนาไว้น้ำท่วมเข้าก็าตายเลี้ยงปลาไว้ในบอ่อน้ำท่วมนาม้นาน้ำท่วมบ่อมาปลาก็หนีปลูกพืชต่างๆไว้ในที่ลุ่มน้าท่วมก็าตาย หรือบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ในที่ต่ำน้ำท่วมก็อยู่ไม่ได้เดือดร้อนกันต้องอพยพหนีน้ำหนีเร็วอุธกาภัยบางลายก็ปลูกบ้านอยู่ริมแม่น้ำน้ำล้นฝั่งมาอย่างรุนแรงพัดเอาบ้าน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 กิเลสมันบังคับจิตให้ยึดให้คล้องอยู่ในขันธ์ทั้งห้าอันนี้หรืออยู่ในโลกสงสารอันนี้ก็เป็นไปตามอำนาจของกิเลสนั้นเช่นนี้ผู้นั้นก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้เลยตายแล้วจิตวิญญาณก็เละหอนอยู่ในโลกอันนี้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 สมวัจ ญ, ญญาตื่นตัวว่าภัยทั้งหลายมันมีอยู่ทั้งภายนอกทั้งภายในนลกจากอุธกาภัยแล้วก็อัคขีภัยเดี๋ยวไปไปวันหนึนพุทธ่า ว, ว่าภัยไหมมันไม่ใช่ไหมบ้านกระตบกระแทบธรรมดานะไม่ตึกไม่ลา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 หัดคืนมันก็ฆ่าเจ้าของทรัพย์ตายแล้วบงคนเอาทรัพย์สมบัติของผู้นั้นไปสงรามภัยวันดีคืนดีก็นอนก็เกิดเกิดสงรามขึ้นมารบราฆ่าฟันกันผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็พร้อยมาตายตายด้วยลูกระเบิดบ้าง ตายด้วยการอพยพหนีลูกกระสุนไปนอนกลางดินกินกลางหญ้าโลกภัยเบียดเบียนเอาตายอยู่กลางดินกลางหญ้าไปมือนี้นะนี่เราเรียกว่าโจรภะภัยสงครามภายัยมันมันมีแต่ภยัยโลกสันิวัตอันนี้ มันใ่ภัยภายในได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ก็เป็นภยัยเป็นประจำอยู่กับชีวิตหลีกเลี่ยงไม่พ้นจริงๆแต่ภัยภายนอกนั้นบางคนอาจจะไม่ได้พบตลอดชีวิตก็ได้ได้พบก็พบไม่มากก็มีไอ้ส่วนภัยภายในนี่ ไม่มีใครพ้นได้สักคนเดียวเลยจะเป็นคนชั้นสูงคนชั้นกลางชั้นต่ำอะไรก็เว้นไม่ได้เลยจำเป็นอยู่นานปีนัะนานเดือนไปร่างกายนี่มันก็ทุดโทมไปเรื่อยๆไปเมื่อร่างกายทุดโทรมหมายความว่าธาตุทางสี่มัน อ่อนกำลังลงแล้วมันก็เป็นบ่อกเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละเช่นเมื่อความชลาครอบงำเข้ามาแล้วรับประทานอาหารเข้าไปไฟทาตุก็ ย, ย่อยไม่ค่อยดีเท่าไรนักมันไฟทาตมันอ่อนอก็เกิดท้อง อุดท้องเฟอ้อขึ้นบางบางคนก็ท้องผูกไม่คับท่ายสะดวกมันนี่ก็ไปปล่อยให้มันท้องผูกอยู่นั่นอาหารเก่าก็ทำพิษให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมามูนี่นะก็ลองพิจารณาดู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 เรี่ยวแรงดีอยูอ่ขั้นพอบุญเก่านะมันน้อยหรอลงไปธาตุทั้งสีก่ก็อ่อนแอลงเหมือนกันนะ อ, อะไรก็อ่อนแอลงไวหมดแต่ถ้าผู้ใดรู้จักบำบุงธาตุอันนี้ไว้ก็ยังสั่วหน่อยขอได้อยู่ยืดไปสักหน่อยแค่ น, นั้นแหละ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 ทุกคนอย่าไปให้ท้องผูกต้องพยายามหายาระบายมาไว้รับประทานตอนรับประทานยาระบายนี้ต้องรับประทานถั่วลุ่งนับจากตีสี่ไปตอนนั้นไฟ้ามันย่อยอาหารหมดไปแล้วยานี้มันเพียงแตไปขับ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 อืมมากมากเข้าไปหรือว่าสูบบุหรี่มากมากเข้าหรือสูบกัญชายาพินเฮโรอีนอะไรหมดเนี่ยมันล้วนแต่เป็นบ่อกเกิดแห่งโรคภัยทั้งนั้นเลยไม่ใช่เป็นของดีอืมดังนั้นเมื่อผูใ้ใดรู้ว่าร่างกายอันนี้มีคุณค่า มหาศาลต่อตัวเองมากมายโพการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่รสชาตินี่ยากนักยากหนาหรือเกิดมาแล้วจะมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้มันก็หายากเหมือนกันเมื่อผูใ้ใดได้ร่างกายสมบูรณ์อย่างว่านี่แล้วก็อย่าไปทำให้ร่างกายนี้วิบัติ ลงด้วยการบริโภคสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคภัยทางอันร้ายแร ง, งต่างๆดังกล่าวมานั้นแม้อาหารบางอย่างก็เหมือนกันต้องเลือกอาหารอะไรมันแสลงกับโรคในกายตัวเองแนละ้วก็อย่ารับประทานแม้จะอยากไงก็ไม่เอา เพราะมันให้แต่โทษมันไม่ได้ให้คุณต่อร่างกายเช่นนี้ผู้ใดตื่นตัวได้อย่างนี้ปฏิบัติร่างกายนี้ให้ถูกต้องตามสุขะอนามัยอย่างว่านี้แล้วก็จะมีอายุยืนไปพอสมควร ้าผูใ้ใดประมาทอย่างว่านั้นเน่ยบริโภคอาหารก็ไม่ละมัดระวังแล้วก็หาของเสพติดชอบบริโภคของเสพติดดังกล่ามนั้นจนติดงอมแงมแล้วก็ชีวิตของผู้นั้นไม่มีความหมายอะไรเลยเหมีอนจะหาเงินหน้าทองตั้งเงื่อตั้งตัวเลก็ไม่ได้เลย เพราะว่าคนเสพของเสพติดท่างกล่าวมานั่นแหละมันกําลังกายก็ลดน้อยถอยลงกําลังใจก็ไม่เข้มแข็งเพราะว่าร่างกายมันชำรุดตรงไว้นะจิตใจก็ชำรุดไปด้วยกันธรรมดาปู้ทชนเป็นอย่างนั้นนี้เพราะของเสพติดอันนี้พระพุทธเจ้าธรรมดามันเป็นโทษอืม ไม่ใช่แต่เป็นโทษในร่างกายเท่านั้นยังเป็นโทษในทาง จ, จิตใจใจคุณมัวใจเศร้าหมองเป็นอย่างนี้นะพระองค์เจ้ารู้แจ้งแทงตลอดแล้วเชิงได้ทรงบัญญัติห้ามไว้เราผู้เป็นบริษัทของพระองค์นะก็ควรที่จะทำตามเนะย ควรถ้ามีใจเด็ดเตี่ยวไม่รู้อำนาจแก่ตันหาดังกล่าวมานั้นแล้วก็จะพ้นทุกข์ตามภาษาสราไปได้ในที่สุดก็จะเป็นการปฏิบัติใกล้ต่อพานิพาณผู้ได้เว้นจากความชั่วร้ายทาั้งทั้งดังว่านั้นนอกจาก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 ก็สามารถทำความเพียรได้นั่งภาวนาได้นานทำการงานทำการกุศลอะไรก็ทำได้แข็งแรงเช่น อ, อย่างว่าผู้ที่ทำหน้าที่เป็นแม่ครัวทำทานอยู่ในวัดวอารามอย่างนี้นะถ้าร่างกายแข็งแรงดี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 อันหมูนี้นะี่มันต้องให้เข้าใจให้ฉลาดพระพุทธเจ้าสอนให้มีความฉลาดเรียกว่านั่นนะ่ยฉลาดรู้จักรักษากายรักษาวจารักษาจิตใจให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษต่างๆแล้วก็ให้มีสุขภาพอนามัยดี เว้นเสียแต่กรรมเวณหนหลังมีมันตามมาสนองเอาอันนั้นแทมันแก้ไม่ตกก็ตามเรื่องมันหากผู้ใดมีกรรมไม่เว้นมาแต่ก่อนรู้ตัวแล้วก็อดเอาทนเอาอธิษฐานใจละเว้นไม่ทำชั่วห้าอย่างนั่นต่อไปอีกอแล้วชาติต่อไปก็จะเป็นผู้มี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดีผู้ใดไม่มีบาปติดตัวนะอั น, นี้แต่สำหรับชาตินี้แล้วบาปกรรมตามสนองเอาแล้วไปไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้พิจารณาให้เห็นว่าภัยทั้งหลายเนะี่ยมันเกิดจาก มันมีเหตุมีปัจจัยมาไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย อ, อ, อ, อักขีภยัยอุทกะภายัยโจรภยัยต่างต่วเนี้ถ้าบุคคลใดมีกรรมมีเวรมาแต่ชาติก่อนแล้วมันก็ประสบภัยเหล่านี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ผู้ใดไม่มีเวรไม่มีภัยมาแต่ก่อนบางทีก็พ้นจากภัยทางต่างเหล่านี้ไปได้มันต้องเรียนรู้ไปหมดเลยเป็นงั้นภัยภายนอกนั่นนะก็มันก็มีปัจจัยมีกรรมมีเวรกรรมชั่วเวรชั่วแต่ชาติก่อนที่ตนได้ทำมาบ้างแล้วบางทีก็อาจจะ เกิดจากอุบัติเหตุปัจจุบันนี้ก็ได้ไม่ต้องอาศัยกรรมเวรแต่ผลหลังอันภัยธรรมชาตินี่มันไม่มันไม่ว่าละคนมีกรรมไม่เวรหรือไม่มีกรรมไม่มีเวรก็อาจได้ประสบเหมือนกันหมดล่ะอืมแต่ว่าภัยอันเกิดจากกรรมจากเวรยิงกิงก็คือทําให้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 โอกาสจะได้ทำบุญกุศลต่างๆขึ้นชื่อว่าบุญแล้วนะเป็นอย่างนี้แหละมันยออน่อมอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้เป็นผู้สั่งสมบุญกุศลนั่นๆไม่ใช่ว่าจะไปหาเกิดเอาได้ตามประสงค์เมื่อไรอ่ะคนเราอ่ะ แต่เมื่อเราทำบุญกุศลความดีชำระกายวาจาใจให้สะอาดในชีวิตนี้ในโลกนี้แล้วก็ไม่ต้องปรารถนาให้ไปเกิดที่ดีถึงสุขอะไรต่ออะไรหรอกเมื่อจิตใจมันสะอาดจากปัสเสจากบาปอากุศลแล้วเมื่อตายลงไปี้จิตออกจากร่างนี้ไปแล้วบุญกุศลมันก็ดำไปเองเนี่ย นำไปบังเกิดที่มีความสุขสบายตามกำลังของบุญที่ตนกระทำแต่ในโลกนี้เออมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นทุกคนควรพากันตื่นตัว เ, ออเมื่อบุคคลตื่นตัวได้ละชั่ว ออกไปจากกายว่าจใจให้หมดทําคุณงามความดีให้มากเข้าไปแล้วทีนี้เมื่อหมดอายุสังขารลงไปห ม, หมดบุญลงไปแล้วก็บุญใหม่ที่ทำนี้มันก็นาไปเกิดที่มีความสุขยิ่งกว่าเนี่ยที่ไม่มีโจรภัยอักขิภัยอุทกะภัยสงคลามภัยอะไรไม่มี อย่างเช่นสวรรค์อย่างนี้ไม่มีไม่มีภัยเหล่านี้เลยเนี่ยมีแต่มรณาภัยเมื่อบุญกุศลหมดลงหรือว่าอายุในสวรรค์ชั้นนั้นนั้นมันหมดลองอันนั้นมันก็ต้องได้เคลื่อนไปจากที่นั้น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 นั่นแหละที่บุคคลล่วงเกินมาแเ่ชาติก่อนนุ่นเช่นฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ให้เจ็บให้ปวดให้อดน้ำอดอาหารอะไรต่อเลยทุบตีแข้งหักขางหักเสียองค์าอะไรหมดนี่กรรมที่ทรมานสัตว์นั่นแหละเท่าที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงง นำมาตกแต่งให้คนเราเกิดมาในโลกอันนี้มีอวัยวะร่างกายไม่สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้อา้าวกรรมที่ไปลักไปล่อล่อกงเอาสมบัติไูแล้วนะเป็นของตอนมันกระดนบรันรดาลให้เป็นคนมีทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ถูกโจรเข้ามาจี้มาปล้นเอาหรือไม่ฉะนั้นก็ถูก นักเลงดีมาหลอกลวงให้หลงกลเขาเสียเงินเสียทองเป็นล้านล้านก็มีโมนี่มีผัวมีเมียมาอย่างนี้ถ้าไปแต่ชาติก่อนได้ไปทำชู้จากผัวจากเมียแล้วก็เนี่ยกรรมนั้นตามมาสนองเอาบางทีก็เมียวิ่งไปตามชายชู้ บางทีผัวพอไปติดหญิงอื่นทิ้งให้เมียกับลูกน้อยอยู่บ้านโดยลำพังอยู่ด้วยความอดจยากทุกข์ยากนี่นะโทษแห่งกามเมสุสมิชาจาย์อันนี้มันก็แน่นอนแล้วบางคนเกิดมามีลิ้นไก่สั้น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 หรือว่าตนได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตนได้ทำผิดทำไม่ไดีอย่างนั้นอย่างนี้เวลาเจ้าหน้าที่เขาจับได้มาถามปฏิเสธไม่ได้เอาไม่ได้รับหรือเจ้าของบ้านตามทันก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เอาแต่ว่าโกหกเอาดือด้อๆไปอย่างนั้น บางคนก็ไปเล่นชู้จากผัวเมื่อผัวจับได้ผัวไทยถามก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เล่นสบดสาบานให้ผัวอย่างนนอย่างนี้หมูน่นี้คำหมูนี้แหละมันตามสนองคนเรานะเอา บางคนก็ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาผินเฮโรอีนเข้าไปแล้วอันกรรมเวรดังกล่าวมาเรียต้องไปตกนรกก่อนนะเมื่อพ้นจากนรกมาแล้วบาปกรรมยังไม่หมดมันก็ตามมาสนองเอาอีกอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าทำบาปกรรมในชาตินี้ตายไปแล้วมาเกิดเป็น คนอยู่มาสวยบาป ก, กรรมอันเป็นคนนี้สีเดียวเลยนี่ไม่ใช่น ะ, ะต้องไปนรกก่อนพ้นจากนรกมาแล้วก็จึงมาเกิดเป็นคนบาป ก, กรรมไม่หมดมันก็ติดตามมาให้ผลต่ออย่างนี้นะอือได้รับทุกข์ทนทรมานแต่ตอนไปต้องนรกนั่นเมื่อมาเกิดเป็นคนแล้วล่ะลึก ธาตุนหลังไม่ได้เหมือนกับว่าตนไม่ได้ไปสู่นรกเลยอืมเหตุนั้นคนเราจึงไม่เข็ดไม่หลบับนั่นเองเนี่ยเรื่องมนันนะถ้าผู้ใดระลึกธาตุนหลังได้แล้วก็คงจะเข็ดหลับไปมันรู้เรื่องของตัวเองว่าไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอยู่ในเปรตอะไรพวกนี้นะนานแสนนานอย่างนี้มันก็เบื่อหน่าย มันจะอาจจะเว้นความชั่วเหล่านั้นได้แต่คนส่วนมากมันลึกชาติหนงหลังไม่ได้เลยเหตุนั้นมันจึงไม่เบื่อหน่ายบางคนก็กรรมเวรมันหมดแล้วแต่ชาติคนก่อนนู้นมุนนำมาตกแต่งให้เกิดเป็นคนมามีอายุย้อนร่างกายสมบูรณ์ดีก็เลยนึกว่า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 อะไรต่างๆวันนี้ก็ลืมตัวอะไรนึกว่าตนไม่เคยได้ตกนรกมาแต่ก่อนระลึกไม่ได้นี่ไม่เหมือนจึงไม่เบื่อหน่ายต่อความชั่วบางคนมีเงินมีทองเท่าไหร่แทนที่จะรักษาสินในบริสุทธิ์ได้ไม่เลยไม่รู้นี่มันเมาเมาในลาบในยศน่ะ มีเงินมีทองเอาซื้อน้ำดื่มอันชั้นเยี่ยมเยี่ยมุนมาดื่มกันเช่นเบียบ อ, อะไรตัวอะไรเล่าราคาแพงๆเอามาดื่มกันสนุกซะนั้นนี่แหละความไม่เชื่อพระพญญาติสรูของอุทย์เจา้าความหลงความเมาความไม่ได้นึกถึงคำสอน ของว่าพระเทเจ้าแล้วมันก็ไปตามนาจของกิเลสแล้วไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลยยิ่นเพีย ง, งในคนเราผู้ใดตื่นตัวได้รู้สึกตัวได้เชื่อพระปัญญาตัสรู้ของพระเทเจ้าว่าเมื่อทำความโชดดังกล่าวมานี้แล้วหากไม่ละไม่วาง ทำเลื่อยไปจนตลอดชีวิตลงไปแล้วอย่างนี้ก็มีหวังได้ไปนรกแน่นอนเลยแต่ถ้าผู้ใดทำมาครึ่งคร้นกลางๆางแล้วรู้สึกตัวได้ไม่ไม่ได้ทำตลอดชีวิตไปอย่างนี้แล้วอธิษฐานใจละเว้นเสียแล้วทำความดีให้ ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เมื่อทำบุญกุศลอบรมจิตให้สูงขึ้นไปเป็นอย่างว่านี่พษาศาสดาก็ไม่ทรงสอนในละบาปเลยเพราะองค์พี่นาเห็นแล้ว บาปที่เป็นลหุกรรมเป็นกรรมเบาเนี่ยอืมบุคคลสามารถละได้เหตุด้านพระองค์เจ้าจึงสอนให้ละคำว่าสอนให้ละนี่ก็หมายความว่ามันได้ทํามาแล้วอืได้ทําบาปมาแล้วแต่ก่อนไม่ตื่นตัวไม่รู้ตัวเมื่อได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตื่นตัวได้กลัวบาปแบบ น, นี้นะก็ เพียงพยายามละได้อยู่พระองค์เจ้าตัดไว้เป็นเสียแต่อนันตริยกรรมกรรมห้าอย่างนั้นเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอระหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตไถ่ห่อคืนไปทำสทงให้แตกจากกันเช่นนี้นะกรรมห้าอย่างนี้หลีกไม่พ้นเลย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 ทุกคนนะต้องให้พารนาะดูให้มันเห็นเมื่อผู้ใดได้พี่นาะถึงพระพุทธเจ้าถึงประคุณของพระองค์ความดีของพระองค์ที่กระทำมานะพระองค์จะเป็นผู้วิเศษแต่อย่างนั้นเพราะพระองค์ละบาปไม่ทำบาปห้าประการนี้แล้วแถมก็ยังรักษาโวสถดสิน ตอนเป็นพระโพธิสัตว์นนเอพระองค์ก็รักษาศีลอุโบสถแม้จะเป็นสัตว์ใดๆฉานพระองค์ก็รักษาศีลอุโบสถก็มีบางชาตินะเช่นชาติเป็นพญานาคคือว่าภูริทัตต น, นชาตินั้นก็ได้เสด็จจากเมืองนาคขึ้นมารักษาศีลแปดอยู่ พื้นชมภูทวีปเป็นวิดีอยู่ของมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบุญบา ร, รมีของพระองค์จึงได้เก่กล้ามาโดยลำดับในที่สุดก็เต็มได้ถ้าหากว่าพระองค์ไปทำแต่บาปห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง มาในทุกชาติทุกพพมางี้ไม่ไหวไม่ได้เพียรู้พเจ้าหรอกก็มีแต่จะไปสวยทิบา ก, กรรมอยู่ในนรกบาเยภูมิดังว่านั้นจะเอาโอกาสที่ไหนแล้วมาสร้างบา ร, รมีอ่ะแต่ทีนี้พระพระองค์ละกรรมชั่วห้าประการนั้นเสียแล้วเราคันบรรลัยไปก็ไปเกิดสวรรค์ บางชาติก็ไปเกิดนรกอ่ไปเกิดพรหมโลกชาติใดที่ออกวอดเป็นฤาษีมอมเพนกสินชาญอยู่ในป่าได้บรรลุ ก, กสินชาญหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกอมแต่ดูมันจะมีน้อยดอกที่ไปเกิดในพรหมโลกเพราะว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้น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 ว่าพระองค์ตัดว่าสิ่งนี้เป็นบาปแล้วก็เชื่อว่าต้องเป็นบาปจริงๆเลยแล้วก็พิจารณายเห็นด้วยปัญญาของตัวเองด้วยไม่ใช่เพียงแต่เชื่อตามที่พระองค์เจ้าแสดงบัญญัติไว้เท่านั้นพีรณายเห็นด้วยปัญญาของตนว่าโอ้ยกตัวอย่างเช่นว่าทรงบัญญัติห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้นะ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 เมื่อเป็นเช่นนี้ล่ะหากว่ามนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งไปจับสัตว์มาจากฆ่ามันเนี่ยมันก็กลัวตายแต่มันพูดไม่ได้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมิจมันดิ้นการที่มันดิ้นนั่นแหละที่ว่ามันกลัวตายมันไม่อยากตายแต่มนุษย์มั น, น, นไม่มีเมตตาการุณาเลย นึกอยากจะ ก, กินแต่เนื้อของมันเท่านั้นเองอืมเช่นนี้แหละแล้ววันนี้เมื่อเวลาหากว่าคนอื่นจะมาทุบมาตีตนล่ะอ่ตอนก็ยังกลัวตายเหมือนกันเนี่ยตนก็ป้องกันตนเต็มที่เลยถ้าหลีกไม่พ้นแล้วจึงยอมตายอ่ถ้าหากว่าบุคคลมนึก ถึงสัตว์อื่นแล้วก็มาเทียบกับตัวเองได้อย่างนี้แล้วเป็นอันไม่ฆ่าสัตว์แน่นอนเลยอืมมันเป็นอย่างนั้นโดยเหตุผลนะเป็นอย่างนี้แหละแต่คนเรานะ่ะมันไม่ได้พิพพจารณาเทียบเขากับเราใส่กันมีตอาศัยแต่ความอยากอาศัยแต่อวิชชาความไม่รู้เหตุรู้ผลใน พุทธวิญญาตต่างๆเหล่านั้นไม่ได้สนใจเลยเหตุนั้นมันจึงล่วงศีล น, นั่นไปได้เมื่อล่วงศีลไปได้แล้วบาป ก, กรรมที่ทำนั้นมันไม่ใช่มันให้ผลปุ๊บปั๊บทันทีเลยมันไม่ให้ผลก่อนมันให้สบายสบายไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนั้นยังให้ผลอยู่ บาปกรรมที่ทำมันจึงให้ผลไม่ได้มล้วี้เมื่อเวลาบุญเก่าที่ทำมาแต่ ก, ก่อนนั้นมันหมดลงเมื่อใดแล้วก็บาปที่ทำนี้มันก็ได้โอกาสแล้วพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าบาปกรรมอันนี้นะมันจะไปให้ผลเอาเวลาจวนจะตายเมื่อบุญเก่าหมดลงไปเมื่อบาปกรรมอันนี้มันก็ฉุดคร่าเอาดวงขิตนี้ไป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 ไม่ควรจะไปเชื่อตัณหาความอยากอันมีอวิชชาเป็นเพื่อนชักจูงให้ไปทำบาปทำกรรมเวนใส่ตัวเองแล้วตายแล้วไปได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกหน้าต่อไปอย่างนี้นี่มันก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำลายตัวเองไม่ปรารถนาดีต่อตัวเองไม่รักตัวเอง ไม่ต้องการอยากจะยกจอตัวเองให้พ้นจากทุกข์ต่างๆเหล่านี้เลยน่าเสียดายจริงๆนะการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะควรพากันพิพจารณาตรีตองให้ดีมันบุญกุศลมีมันจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ขอให้คิดอย่างนี้เมื่อบุญมาตกแต่งร่างกายนี้ให้แล้ว เราก็ต้องใช้กายวาจาอันนี้บำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอเช่นนี้มันจึงค่อยเรียกว่าถูกต้องจึงค่อยเหมาะสมกับความเกิดมาเป็นมนุษย์สมกับว่าผู้มีบุญอหากเราอาศัยบุญเก่า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 อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละผู้มีบุญกุศลเป็นทุนเป็นรอนมาแต่ชาติก่อนแล้วมาตกแต่งอัฐภาพร่างกายนี้ให้แล้วหากรู้จักใช้กายวาจาทำกุศลขุณงามความดีรู้จักละเว้นจากกรรมอันชั่วดังกล่าวมานั้นได้ชีวิตของผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่เป็นหมัน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 อาศัยบุญเก่านันหนุนทรงขอให้เข้าใจะอันบุญนี้จึงชื่อว่าเป็นมิตรเป็นสหายอันสนิทสนมใกล้ชิดจริงๆเลยใกล้ชิดกวัวมิตรกวัวญาติกวัวสหาหิภายนอกเป็นไหนๆเพราะว่ามิตรสายภายนอกนั่นนะไม่ใช่ว่าเราจะได้คบกันอยู่ตลอดเวลา นานๆจึงได้พบกันครั้งนึงนานๆจึงได้ช่วยเหลือกันครั้งนึงอืมไอบุญกุศลที่บุคคลกระทาให้เกิดให้มีในจิตใจของตัวเองมาแต่ชาติก่อนแล้วพราะเกิดมาชาตินี้บุญกุศลเรก็มาเตือนจิตให้นึกถึงตัวเองได้อืมเช่นว่าแต่ชาติก่อนนั้นบุคคลได้ยินได้ฟังคําสอนผู้เจ้า ว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องพัดผากจากของรักของชอบใจผู้ใดทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นจำอะไรเอาไปคิดไปกรองจนละความชั่วได้ทำความดีให้เกิดมีในตนเมื่อตายจากขา้นนั้นแล้วหากว่าได้โอกาสก็มาเกิดเป็นคนอีก นี่แหละบุญกุศลอันนั่นแหละเป็นอุบานิสัยปัจจัยติดตามมา ม, มาตักเตือนจิตใจให้รละลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายได้รละลึกถึงความพลัดผ้ากากกันได้ระลึกถึงบุญและบาปผู้ใดทำบุญย่อมออาหนวยผลให้เป็นสุขจริงผู้ใดทำบาย่อมออาหนวยผลได้เป็นทุกข์จริง ไอ้บุญเก่านั่นมาเตือนใจให้เกิดความเชื่ออย่างนี้เรื่องมันน่ะไอ้บุคคลที่ไม่ได้สดับศัพท์ฟังคำสอนพระพุทธเจ้ามาแต่ก่อนไม่สนใจในบาปบุญคุณบุโทษตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แม้ได้สนใจก็ทำบุญํำทานมาตามประเพณีเท่านั้นเองอที่จะน้อมเข้าคำสอนของพ่อพี่นา ให้เห็นบาปเห็นบุญจริงๆนะไม่มีอย่างงี้นะผู้ะน น, นเกิดมาในชาตินี้มันก็ไม่สนใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรไม่สนใจที่จะฟังทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันสมกับที่ว่าผู้ใดทากรรมอะไรย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนะมันเป็นความจริงแท้ทแล้วผู้ใดสนใจในศีลธรรมมาแตชาติก่อน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 วิจารณาให้เข้าใจเมื่อผู้ใดได้พิจารณาให้เข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็สามารถละบาปบำเพ็ญบุญได้ดังกล่าวมานั่นแหละชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดปัดเจากบาปอากุศลต่างๆเมื่อกายวาจาใจปราเจากบาปอากุศลต่างๆแล้ว บุญกุศลอันนี้ยิ่งโดนบันดาลให้ชอบบุญชอบกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปอไม่มีถอยหลังบุญกุศลอันนี้มันกระดนบันดาลให้เบื่อหน่ายในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้อให้เบื่อหน่ายในบาปกรรมความชั่วทั้งหลายเห็นเขาทำความชั่วทั้งหลายก็ไม่พอใจไม่ชอบเลย นี่บุญกุศลมันโดนบันดาลนะนเป็นอย่างนั้นเห็นเขาทำกุศลคุณงามความดีชอบใจอืมปรารถนาที่จะทำาบบนี้นั่นแหละพระพุทธเจ้ายัางทรงตรัสว่าบุคคลครบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นตั้งแต่ก่อนเคยพบตักบาดบัณฑิตมา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 บุคคลจะพ้นทุกไปได้ในขั้นใดๆก็อาศัยบุญกุศลในทางนั้นเลยจะถึงพระนิพพานก็พ่อทาบุญกุศลให้เต็มบริบูรณ์เมื่อสั่งสมบุญกุศลให้เต็มบริบูรณ์แล้วส่วนมากก็บุญกุศลดลบันดาลให้ออกบวชในตําราทางกล่าวไว้ดัง ภาษาวกของพระเจ้าในครั้งพุทธกาลท่านผู้มีบรารมีอันแก่กล้าเต็มมาแล้วพอได้ฟังทำคำสอนของพระองค์จบลงเท่านั้นแหละบางท่านก็สำเร็จอรหันเลยแต่ยังไม่ได้บวชแต่บางท่านบางเราก็ยังไม่ได้สำเร็จแต่มีศรัทธาอยากบวช อย่างแรงกล้า อ, อย่างนี้แหละก็ขอบวชกาษัตริยสดาเลยเหมือนอย่างพระรัฐบาลนะชื่อรัฐบาลนะเป็นลูกเศรษฐีนี่พอได้ไปฟังทมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ตรัสว่าการที่บุคคลจะพ้นทุกข์ไปได้นั้น ก็ต้องอาศัยการบวชจะพ้นทุกไปโดยจริงจังแล้ว อ, อย่างนี้ผู้อยู่ครองเรือนนี้ย่อมมีกิจห่วงใยอะไรกิจการงานต่างๆไม่มีโอกาสที่จะได้ํำระจิตใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสได้ท่านได้ฟังอย่างนี้แล้วท่านก็อ๋อเป็นความจริงเลยมีทรัพย์สมบัติมากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นทุกข์หลายเท่านั้นตายแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยอย่างนี้ออย่าเลยเราจะขอบวชกับพ菩าธศ Dana าาาาาเลยขอบวชกับพระองค์อืมพระองค์ก็รับสั่งให้ไปลามารดาบิดาเสียก่อนท่านก็ไปลามารดาบิดานิดามารดาไม่อนุญาตทีแรก เมื่อแม่อนุญาติท่านก็อดข้าวเลยอดข้าวไม่ยอมทานข้าวเลยจะถ้าไม่อนุญาตแล้วก็ให้ตายไปเลยโนนะท่านผู้มีบุญบา ร, รมีแก่กล้าแล้วใจเด็ด ใ, ใจเดียวพ่อแม่กลัวลูกจะตายก็เลยต้องอนุญาตให้ไปบวชได้หันรับทานอาหาร มีกําลังดีแล้วก็หาเครื่องบริขารเสร็จแล้วก็ไปบวชกับพษษระศาสดาอองค์ก็บวชให้บวชให้แล้วท่านบําเพ็ญเพียรไปไม่นานก็ได้สําเร็จอราหัน์แล้วก็เมื่อสําเร็จอรหันแล้วก็ไปโปรดเอามารดาบิดาให้มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนา ทางอดีตพันยาด้วยมูนีอันนี้ประวัติของพระัฐบาลก็พอเอาเป็นตัวอย่างได้สำหรับคนมั่งมีสีสุขมีเงินทองมากๆผู้มีบุญบารมีแก่กล้ามันก็สมควรจะพิจารณาให้ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่ว่านี้แหละแล้วก็ควรจะถอนตัวออกไป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 การชำระอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตตรงนี้จิดตดวงนี้ก็พึ่งตัวเองได้หมายขาว่างั้นไม่ไปพึ่งรูปร่างกายที่เคยเกิดเคยแก่เจ็บตายมาแต่ก่อนไม่เอาแล้วมันไม่เทีย่ยงไปอย่างยืนอะไรในรูปกายธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเงินทองเข้าของอะไรต่ว อ, อะไร ล้วนแต่เป็นของให้ให้เป็นให้มีความสุขชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้อำนวยความสุขให้ยั่งยืนอะไรเลยนี่ทา่านกุฟิจนาเห็นเนี่ยคนมีบุญมากแล้วต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารเหตุ น, นั้นถึงได้ลามานดาบิดาออกปวดพวกเราก็ได้ชื่อว่ามีบุญ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 ดังนั้นควรพากันบำเพ็ญสมาธิปัญญาให้เจริญให้แก่กล้าขึ้นสัมรวมในสินให้บริสุทธิ์เข้าไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วบุญกุศลมันก็มากขึ้นโดยลำดับเมื่อบุญกุศลมากขึ้นแล้วมันก็สู้กับกิเลสได้กว่านี้กิเลสก็ครอบงำจิตไม่ได้ฮมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นครรืหัด